เวลานี้เราเป็นมนุษย์ไม่เป็นอื่นแล้วเป็นพญนาะสงอย่างยิ่งแล้วกับพุทธศาสนาที่เป็นธรรมอันเลิศของพระพุทธเจา้วาวันที่จะน้อมรับนำมาปฏิบัติตนเองแาาก้ไขดัดแปลงตนเองไปฝืนกับนิเลสไปในขณะเดียวกันถ้าไม่ฝืนจะไม่มีทาง ได้รับประโยชน์แม่นี้เดียวเพราะกิเลสจะไม่เปิดช่องเปิดทางให้สัตว์โลกทั้งหลายสร้างคุณงามความดีเพราะการสร้างคุณงามความดีมันถือว่าจะเล็ดลอดออกจากอำนาจของมันในวัฏจักรที่มันครอบครองเป็นมหาอำนาจอยู่ตลอดมาเป็นกับเป็นกัน